การไปศึกษาหรืออบรมกับครูบาอาจารย์ออราานี่เราก็เคยเห็นมาแล้วมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรอย่างไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น น, น, นั่นก็มากต่อมาก ราที่คอยดูแลอยู่ฉากหลังก็หนักจนอกจะแตกเพราะมันคอยแต่จะแวกแนวกันอยู่เรลยตั้งทต่ประกาอยู่กับท่านถึงกลับได้พู ด, ดว่านี่เวลามาอยู่กับท่านเวลานี้กําลังซ่อนเล็บนะออกจากนี้ไปแล้วจะกลางเล็บให้เต็ม ภูมิเต็มเพลงเมันแหละว่ะแล้วมันก็เป็นจริงๆใครมีลวดลายก็แสดงลวดลายออกตัวไปเหมือนกับว่าไม่ได้เคยพบเคยเห็นปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านที่พาดำเนินมาบ้างเลยนี่สิที่มันทำให้อินน้าละอาใจต่อการ รับหมูรับเพื่อนไว้โอโบสถสั่งสอนคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่สั่งสอนนั่นนะไปก็สักจะว่าไปนี้ไม่ดีไปเอาชื่อเอานามไปนั้นเอากรูบาอาจารย์ไปขายกินอย่างว่าลูกศรหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นที่เขเห็นดังกันอยู่นะี่แล้วการปฏิบัติมันไม่เห็นเป็นท่าอลไรมีแต่คุยมีแต่โม้เห็นอยู่ตามตาอยู่นะ เราเห็นอยู่นี่นะไม่ใช่ไม่เห็นนะแผนไหนก็โห อ, อย่าอวดอเป็นลูกศิษย์ชั้นจันมั่นแล้วเป็นลูกศิษย์ชั้นเยี่ยมชั้นไหนก็ด้วยนะคุยโม้น่ะวเวลาปฏิบัติเหมือนขี้เขานั่นนันไม่ได้สนใจการปฏิบัติมีแต่โมห์เห็นแล้วนี่นัก ชอโม้ชอบคุยอยากให้เขานับถือลือหนา้าตัวนี้เก่งกล้าสามารถได้อบรมศึกษามาจากกูวาจาจยนองตากุฎชื่อยื อ, อนาม่สาบว่าคุยว่าโม่ไปถึงไหนถ้าบีบคุยได้โม่ได้แต่การปฏิบัติเหมือนคนจะตายนั่นอืมสิ มันน่าทุเรศนะ่ะครูบาอาจารย์ท่านบารมเนินยังไงปฏิบัติยังไงแต่ต่างใจไปศึกษาแล้วมันก็เห็นก็รู้อยู่นี่ไม่ใช่ไม่เห็นแล้วมากสมั่งที่ไปศึกษารวมกับพ่อแม่บูจาทมันมีสักกี่รูปหรอ มันร้อนนี่อย่างเข้ามาอุรมณานี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะมันเคยเห็นมาแล้วจะผิดไปไหนนะเพราะการทางด้านจิตภาวนา ถือเป็นของยาของกูแล้วก็ทะเลถลายหาเกาในที่ไม่คันไป อ, อ, อย่างนั้นมันมกักจะเป็นอย่างนั้นนะการภาวนาการฆ่าการสรังหารที่หมดเป็นเรื่องที่ยากยากมากเดยเคยปฏิบัติมาแล้วเคยต่อสู้ามาแล้วลางครั้งเหมือนว่า ชีวิตจิตใจจะไม่เหลือคลองล่างอยู่เลยเหมือนจะตายไปในเวลานั้นก็เป็นมาแล้วนี่ก็เพราะการต่อสู้กับวิเดศเพราะวิเดชเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นฉลาดแหลมคมมากที่ย่กไม่เช่นนั้นไม่นั้นไม่สามารถที่จะครอบโลกธาตุให้อยู่ในงิ้มมือได้ สัตวโลกในสามแดนโลกธาตุนี้ลายไหนที่พ้นอำนาจของกิเลสอยู่เหนือกิเลสได้ก็นอกจากพระหันเท่านั้นมันมีจำนวนมากขนาดไหนเราดูดิสัตว์ในแดนโลกธาตุนี้ที่ยึดต้านหน้าของกิเลสโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสนั้นบีบบังคับหรือเป็นเจ้าอำนาจปกครองอยู่ ทุกดวงวิญญาณแหลมไม้กิเลสฟังสิทั้งๆที่มันบีบบังคับอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นัยหรือวมันเป็นกิเลสอุบายที่ออกมาในแง่ใดมุมใดของจิตแต่แดวงแต่และขณะที่คิดที่ปรุงออกมามีตั้งแต่เรื่องของมันทั้งนั้นนั่นฟังสิแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่อง ค่าสุดเบียดเบียนหรือบังคับเราพอที่จะมีแก่ใจต่อสู้แก้ไขกับมันนี่ถึงขนาดนั้นเร า, ายังไม่รู้จะว่างไงยังหัวเราะนังขับรำทําเพลงอยู่เหมือนก็อยู่ในเรือนจำก็ไม่รู้ว่าติดคุกติดตลางนั่นนี่ที่เวลาจะแก้มัน ไม่ได้เห็นภัยตามทางของปราดท่านเห็นมาแล้วละมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วนั้นมันเห็นไม่ได้มันละไม่ได้มันจึงผ่านพ้นไม่ได้มันเห็นแต่ขยิมยิ้มย่องกับมันอยู่ตลอดเวลามันนละสร้างความหวังให้ให้หวังแต่หวังลุมหวังแรง เราก็ไม่รู้ว่าเราหวังหลมบางแรงเพราะความหลอกลวงของมั น, นี่ที่นี่เรามาปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่มีอัดมีท ร, รมีค ร, มม ร, มมรมูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ฝากกิเลสกับธรรมกิเลสกับธรรมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นค่าสึกกันเป็นค่าสึกเราเราก็ยังมองไม่ทันมันจะว่าไง ถ้าพอจะฝึกหัดตัดแปลงตนเพื่อต่อสู้กับมันให้ชัยชนะไปโดยลําหนับลังดาก็ถือเป็นความลำบากลำคาญอันเป็นเพลิงของมันกล่อมไปเสียะถะเลถลยถลายออกนอกลู่นอกทางตามมันที่ฉุดลากไปอีกแล้วคิดดูในแง่ใดมุมไหนมันไม่มีแี่ที่เราจะเข้าใจแน่ที่จะเห็นโทษของมัน มีแต่แง่ที่ถูกกล่อมไปเสียทั้งนั้นแล้วจะมีแก่ใจประกอบความภาคเปลี่ยนอย่างไงนี่แหละนักปฏิบัติเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ความอุตสาห์พยายามที่จะปฏิบัติด้วยความเห็นโทษตามที่ท่านสอนไม่นั้นมันไม่มีพอที่จะตะเกียกตะกายไปตามอัดตามทำก็ถูกกล่อมไปเสีย ว่ายากพาลําลบากแล้วก็ทะเลถลายออกนอกรูนอกทางไปจแก่เฉพาะอย่างยิ่งด้านวัตถุนี่น่ะออกได้ง่ายที่สุดถ้าเห็นว่าสะดวกสบายยิ่งก่อสร้างนั่นสร้างนี้โดยแล้วเอาอสิ่ต่อกับผู้คนยากโยงบรบกวนนั่นนี่กลายเป็นพระอวนบ้านอวนเมืองไปนั่นง่ายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรม เรื่องของทรรมแล้วต้องฝืนกิเลสอยู่ตลอดเวลานั่นทีนี้มันก็ไม่อยากฝืนเพราะกิเลก็กล่อมอยู่ให้ฝืนทำรรแล้วการฝืนท ร, ร ม, มันก็ไม่ฝืนยากเพราะอำนาจแห่งความความเชื่อมั่นในกิเลสหนักเบาขนาดไหนไปเห็นว่าเป็นของดึกของดีไปเสียเ็าไม่รู้ว่ากิเลสหลอกลวงให้ ผนทําให้เหยียบย่ําทําลายทำทั้งๆที่เรามาหวังจะฆ่ากิเลสส่งเสริมทำมันกลับคงกันข้ามไปเสียอย่างนั้นอื่พิจารณาดูที่ท่านทั้งหลายที่กล่าวมาหล่นะกล่าวมาจากความมีความเป็นตาหรับตําลาก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างครูบาอาจารย์ก็เคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควร แล้วสรุปลงแล้วการได้พบได้เห็นการได้ต่อสู้กันกับมันนี้แหละเป็นสิ่งที่ได้นํามาพูดได้นํามาเล่าให้หมูเพื่อนฟังเพราะหนักมากจริงๆการต่อสู้กับกิเลสนี้หนักมากตั้งแต่ขั้นรน่มรุกคู่การนี่ตั้งแต่ต่อสู้กิเลสให้มันเหยียบย่ําทําลายในความทุกข์ความลําบากกประโยน์ให้ทําเสียหมดไม่ได้โยนให้กิเลสว่ามันฝา่ามันฝื น, ฝ ม, นฝมันมีกําลังมาก มันเยียบย่าทําลายมันขัดมันขวางเราไม่ให้ดำก้าวดําเดินตามทําได้อย่างนี้เราก็ไม่มีเวลาที่จะคิดได้เลยโยนโทษโยนกรรมทั้งหลายไปให้ทำเสียซึ่งทำนั้นไม่มีโทษมีกรรมแต่ผู้แก่ผู้ใดไม่เหมือนกับพิเรศซึ่งตัวเป็นโทษเป็นกรรมแก่สา์โลกนี้เลยก็ยังจํายอมมันให้เป็นไปอย่างนั้นพวกเราโง่ไหมพี่นาดิถ้า ค ำ, คำพูดนี้จะจริงหรือไม่จริงให้ท่านทั้งหลายได้จำมาไว้แล้วไปประพฤติปฏิบัติตนต่อสู้กับวิเลศดังที่กล่าวมานี้ลองรูยเมื่อทำได้สว่างก็าจางแก้งขึ้นมาโดยลำดับกำนานแล้วจะพอมองเห็นโทษเห็นภัยของวิเลศที่แสดงอยู่ตลอดเวลาบนหัวใจของเราแล้วก็จะต่อสู้กัน นี่เคยต่อสู้มาแล้วยังกล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าแรมคงไม่มีอะไรเกินกีเดศการพูดปฏิบัติหรือ ก, การแก้ไขการถอนยากไม่มีอะไรเกินกิเดศนี้แต่เรื่องฝื้นทำฝื้นทำฝืนทมทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพิเดศฝื้นทำเราก็ไปเข้าข้างกิเดสเสีย ลายเป็นเรื่องของเราฟื้นทําเหยียบย่ำทเหยียบย่าทำลายทำกับกิเลสเป็นพวกเป็นเพื่อนอันเดียวกันกับกิเลสหรือเป็นสมุนของกิเลสไปเสียโดยที่เราก็ไม่มีเจตนาไม่รู้แต่มันก็เป็นไปหลักตามหลักธรรมชาติของอํานาจแห่งกิเลสมันครอบงามันฉุดลากไปให้เป็นอย่างนั้นนี่จึงทําให้ท้อใจเหมือนกัน บางการบางเวลาท้อใจนะเดี๋ยวก็หมู่ก็เพื่อนปื๊ป๊ปฏิบัติแตะเลทลายออกนอกรูนอกทางไปเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่ฉุดลากฉุดลากอยู่ตลอดเวลาทุกอาการของจิตที่แสดงออกมาออกมาจากความผลักดันของกิเลสออกมาจากพลังของกิเลส ให้แสดงออกมาเป็นกิริยาแต่ละอาการอาการซึ่งวนแล้วแต่เป็นฆ่าสืบแข่งทำเหยียบย่ำทำลายทำทั้งนั้นเราก็ไม่มีทางทราบได้เพราะยังไม่ใช่ฐานะของจิตที่มืดมัวอยู่ด้วยอานาจของกิเลสครอบง ำ, งำจะทราบเรื่องของมันได้นี่สินี่เวลามันมืดมันมือดอย่างนั้นเนี่ย มีแต่กิเลสออกทํางานทุกอากาศแม้ในทางจงกรมในสถานที่นั่งภาวนาขณะนั่งภาวนาขณะเดินยังกรมมันก็ก็ไม่พ้นที่มันจะไม่เข้าไปทํางานอยู่ในวงแห่งความเปลี่ยนของเรานั้นๆใครก็ใครเถอะมันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นการฟังอุบายจากครูจากอาจารย์ก็เพื่อจะ ส่งเสริมเพิ่มเติมสติปัญญาศรัทธาความเพียรตลอดความมุตสาพยายามให้มีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วต่อสู้กับวิเลตถ้าได้ชัยชนะไปโดยลำดับกำดาแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้จะว่างไงนี่กล้าพูดถึงขนาดนั้นแหละว่าไม่มีอะไรที่จะละเอียดแหลมคมและมีอำนาจมาก จากความละเอียดแล้มคมของตนมือคือของกิเลสไม่ว่าจิตดวงอิน ญ, ญาณดวงใดอยู่ใต้อานาจของมันทั้งนั้นทีเดียวโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าถูกบีบถูกบังคับถูกให้พาโกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยให้สร้างบาปสร้างกรรมทั้งๆ ท, งที่บาปกรรมใครๆก็รู้ว่าให้ผลเป็นทุกข์ ทำท่านกอ็สอนเอาไว้จอมปราดคือศาสดาของเรานี่ยสอนตั้งแต่เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความมีความเป็นทั้งของกิเลสทั้งของธรรมให้เห็นอย่างชัดเจนเปิดเผย เ, เ, เราก็ยังทราบไม่ได้นอกจากนั้นก็มีครูมีอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกเหตุบอกผลบอกโทษบอกคุณทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมอย่างเปิดเผย เ, เ, เช่นเดียวกันเราก็ไม่มีทางทราบได้อยู่อย่างนี้จะว่ายังไง เห็นไหมคี่เ ด, ดนะือหนามันละเอียดไหมดูดูชิดดูตั้งแต่เราปฏิบัติเข้าไปถึงขั้นที่จะประหัสประหารกันให้ขาดสบัานหักจิตใจอยู่แล้วยังไปหลงเพ่งง้องมันได้ฟังเลยดังที่เคยกล่าวไว้เสมอว่าอาวิชาปฏิยาความโลภความโกรธทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งเป็นของอยากก็ว่าค่าไปค่าไ ป, าไปความรักความชังฆ่าลงไปข้าขงไปด้วยความแน่ใจว่าเป็นกีเลเป็นกิเลดบทตัวกษัตริย์ของกิเลสจริงๆมองไม่เห็นเลยยังไปถูกมันกล่อมจนได้ละเอียดหมายฟังสินั่นไม่มีอะไรที่จะนั่นแล้วมันัถึงขั้นมันปักขวากปากักหนามอย่างละเอียดเอาเอาไว้ให้เราเหยียบจนได้ ทางที่ท่านสอนแสดงไว้ว่าอุปาิเลกที่หจะเป็นอะไรไปธรรมชาติเรื่องลวดลายของอวิชชาอันเดียวนี้เท่านั้นอันสงาา่าาเผยมันผ่องใสมันอาจกล้าหารมันอัศจรรย์หน้าอัศจรรย์ทุกอย่างนี่มีตั้งแต่เครื่องหลอกลวดลายของอวิชาทั้งนั้นสติปัญญาข่าคือเด็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่บริษัทบริบาเข้ามาดโดยลำดับกำดาไม่มีอะไรเหลือถึงขั้นกษัตริย์มันแล้วยังไปหลงให้มันกล่อมจนได้นั่นนี่มันน่าทุเรศจริงจริงนะแล้วสิ่งที่จะทำให้เราพูดได้อย่างชัดเจนประจักษ์ออกมาจากใจนี่ก็กคือวิชาละเอียดขนาดนั้น ม, มันมันน้อยน้าเมื่อไหร่ฟังสิทีนี้เราจะมาพูดอะไรถึงเรื่องหยาบๆยาบตรนี้ซึ่งปัญญาของเราก็ไม่มีพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวของมันจะแก่จะไขได้นี่จริงว่ามันมันละเอียดมากมีอำนาจมากจากความละเอียดแหลมคมของตน การปกครองจิตวิญญาณของสัตว์โลกแต่และดวงละดวงต้องปกครองด้วยความฉลาดแหลมคมจนไม่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอะไรครอบหวัวใจของเราอยู่บีบบังคับหวัวใจของเราอยู่ให้พาเกิดใจจเกตายในภกน้อยภพใหญให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะมันพาให้ทำด้วยความพอใจอยากทำาั่น ดวงใดวิญญาณดวงใดที่จะโผหน้ามาให้เห็นโทษของมันมีสติปัญญาแยบออกมาพอเห็นโทษของมันมีต่ปิดหูปิดตาเหมือนกับหูหนวกตาบอดปิดทวารทั้งหกใบหมดเลยอลากไปไหนก็ไปลากไปที่ไหนก็ไปไปได้ทั้งนั้นขึ้นชัวร์ที่เดือวที่มันแหลมคมก่อนแล้วลากไปลากไปได้หมด ความไม่รู้นั่นเองนี่ในขั้นยบัยบยัสนี่ก็ความฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่เวลานี้มันฟุ้งซ่านอะไรเราก็พอใจคิดทั้งทั้ ง, ท, งที่เรามาอยากไม่อยากฟุ้งซ่านนำขานไม่อยากเป็นความเป็นความทุกข์เพราะความคิดความปรุงของตนแต่เราก็ขยันคิดขยันปรุงอยู่ไม่หยุ่ไม่ถอยไม่มีการยับยัง้ง ช่างตัวว่าความคิดปุ๋งนี้เป็นภัยต่อตัวเองพอที่จะเข้าหาความสงบร่มเย็นด้วยอดด้วยธรรมเป็นเครื่องมืออย่างนี้มันก็ทั้งยากยังทําไม่ได้จะว่าไงถ้าพอทําได้หรือทํากันได้ทําไมเราจะไม่ได้ได้สมาธิคือความร่มเย็นของใจเป็นที่พึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของใจในเบื้องต้นละ่ะยินเรามันจะเป็น ดวนเล่เร่รอนรอยู่ทำไมที่พักที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นความร่มเย็นมีอยู่แท้ๆหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าความหลบเย็ะร่มเย็นเหล่านี้ร่มเย็นด้วยหลักธรรมสมาธิธรรมนั่นสติธรรมวิริยะธรรมเมื่อมีธรรมเหล่านี้แล้วใจก็สกัดตัดกั้นกระแสแห่งความพุ่งซ่านลำคาญเพราะความคิดไม่หยุดด้วยอำนาจของเหยื่อนั้นได้เป็นลําดับลาดา จนถึงขั้นแห่งความสงบใจไดใ้ใจถ้าเป็นสมาธิลงไปแล้วก็พออยู่พ อ, อไปไม่อดไม่อยากไม่ขาดแคลนความสุขนักเหมือนอย่างที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านบุญบายภายในใจอันเป็นไฟเผาตัวในเวลานี้นี่เราฟังสิท่านนักปฏิบัติทั้งหลายฟังเลย อะไรหนุนให้เราคิดอยู่ทุกวันให้หวุน่นวายทำท่านไม่วุ่นกิเลสนั้นต้องวุ่นแน่ๆก็ดิกตัวออกต้องวุ่นไปเลยวุ่นไปเลยเราก็ยังไม่เห็นโทษยังคิดจะเป็นบ้าก็มีจะว่าอะไรคิดบ้าเป็นไปจนเป็นบ้ามีเยอะยังไม่เห็นโทษว่ากิเลสพาให้เป็นบ้าอีกนั่นแล้วอยอดใหม่นี่ค่ะ พ, พี่นาถึงเรื่องการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆนานาแล้วหมดพุงหมดความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างหมดชีวิตจิตใจที่เดือค้นคว้าหรือขุดค้นขึ้นมาเพื่อมาต่อสู้กับกิเลสอุบายสติปัญญามีมากเท่าไหร่ความภาคความเพียรความอดความทนมีเท่าไหร่ทุ่มเข้ามาหมดเพื่อต่อสู้กิเลสเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสติกับปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากจะปล่อยวางไม่ได้ ถ้าไม่อยากให้กิเลสขยี้ขยำจนไม่มีชิ้นเหลือสติปัญญาเท่านั้นที่จะต่อต้านกันไว้พอให้ใจเลยรับควา ม, วมนุ่มเย็นนี่แหละเป็นอย่างนี้นี่ไม่ลืมความตะเกียกตะกายความร่มร ก, กรุครานมาตั้งแต่ขั้นตน้นอยู่ไหนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบาย เหมือนกับสุนัขที่มีแผลอยู่บนศรีรษะของหมา น, นอนเจาะนอนชัยอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้โดดลงน้ําขอเป็นทุกข์ขอไม่สบายขึ้นบนบกเขาไม่สบายไปเที่ยวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนที่ไหนในเอียบทของหมาความกระดิกพลิ้งแผลของหมาหาความสบายไม่ได้เลยเพราะแผลอยู่บน ที่สามไปไหนแผลมันเข้าไปด้วยอนอนก็เจาะก็ชายอยู่บนหัวมันด้วยเอาอะไรมาเป็นความสุขนี่ก็เหมือนกันพิเดศเป็นนอนเจาะนอนชายอยู่บนหัวใจเราอยู่ในยาบายุตรใดมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เวลาพิเดศมันเรืองอำนาจมันเป็นอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเข้ามาพ้นวิสัยของเราที่จะ เป็นผู้พยายามหวังพึ่งอัดพึ่งทำเพราะเรื่องของพิเดีว่าพึ่งมันก็ไม่เห็นมีอะไรพอที่จะพึ่งได้มีแต่เหยียบย่ำทำํำลายนะแล้วหวังพึ่งทำอย่างน้อยก็พอให้ใจได้สงบร่มเย็นในทางสมาธิบ้างก็ยังดีนั่นแหละพอมีที่โร่งที่วางบ้างถ้าเป็นเดินทางก็ อีต้นลมไม้ชายคาสองฝากทางพอได้อาศัยบ้างไม่ได้ถูกแดกแผดเผาแค่โดยถ่ายเดียวนี่ที่เด็ดมันแผดเผาโดยถ่าเดียวหาทำเป็นร่วมเป็นงาไม่ได้ก็เกินไปมนุษย์ดาวู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆนี่เวลามันรลมรุกคานมันร้อนมันร้อนอย่างนั้นนะ่ะนี่เคยแล้ว อตาหูตูมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรไม่ได้คอยแต่จะเกิดกิเลสคอยแต่จะเกิดชุนเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของทั้งนั้นถึงขัน้นกิเลเรื่องอํานาจเป็นอย่างนั้นมองดูรูปก็เหมือนเทวดาดูที่ฟังเสียงเหมือนเสียงเทวดากลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเหมือนเทวดาไปหมดเหมือนจริงว่านั้นไม่แค่อนิจจังทุกข์ของหน้าตาอายุวะอายุพังกองเต็มมันอยู่เลย มันเหมือนกับอะไรเป็นคนละโลกทำให้กรยิมทำให้ป้ออิงกับสิ่งนั้นเน่ะอยู่ตลอดเวลานี่ในเวลาที่ีิเดียเรืองอานาจประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายนีย่เปิดไม่เปิดมันก็แสดงรวดลาอยู่ภายในเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในนั้นพอเปิดออก ปรตูออกคือตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงด้วยแล้วก็เหมือนเอาไฟเข้ามาเผามาเผามาเผ า, า, าตัวเองนะออกไปก็ออกไปหาฟืนหาไฟรูปก็เป็นไฟเมื่อใจได้เป็นไฟอยู่ภายในนี้แล้วมันวิ่งรับกันทันทีทันทีรูปก็เป็นไฟเสียงก็เป็นไฟปิ่นรถเครื่องสัมผัสเป็นฟืนเป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นอะเผาหัวใจเราถึงกับขนาดที่จะนอนไม่ได้กินไม่ได้ฟังสินี่ ในระยะที่เดืองอำนาจมันเป็นอย่างนี้ทุกมากที่สุดแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นทำเพราะทำเรื่อเหนือกิเลส เ, เ, เสมออุบายของทำเหนือกิเลสถ้านามาชา้ให้เหนือเนือ้อเพราะพระพุทธเจ้าปราบกิเลส ด, ด้วยธรรมพระสาวกอราหันทั้งหลายท่านปราบกิเลส ด, ด้วยธรรมกิเลสจิ้นสรากไปด้วยธรรม ทำไมเราจรึงจะสิ้นสร้างไฟฟ้าอำนาจของกิเลสโดยไม่คำหนึ่งไม่เสาะไม่แสวงหาทำมาเป็นเครื่องปราบปรามหรือต้านทานกันบ้างเลยนี่ก็เกินไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดขึ้นอยู่อะไรควรที่จะเอามืดกับแจ้งที่ตนผ่านมานี้มาทบทวนกันดูว่าผลประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรจากนี้ต่อไปเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่ออดีตเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้น เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วประการใดบ้างบวกลบคูณหารกันดูสิเรื่องราวของเราที่ผ่านมาโดยลําดับลำดานี้ได้ผลได้ประโยชน์อะไรบ้างและต่อไปนี้เราจะคิดอย่างไรให้สมกับแเราหวังอยู่ตลอดเวลาความสุขความจเจริญมรรคผลที่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าหากเรายังยอมจำนนต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลานี้ก็ไม่มีหวังถึงจะหวังเท่าไหร่ก็เป็นโมฆะ หวังมากน้อยเป็งไรความภาคเปลี่ยนการต่อสู้คือวิเลตต้องให้หนักมากอย่างนั้ น, จ, นจริงจะมีทมเหล่านี้เป็นเครื่องสนองความต้องการของเรามีพูดถึงเวลากิเลตเรื่องอำนาจเรื่องอย่างนั้นจริงๆในหัวใจใดก็เถอะเป็นอย่างนั้นเมื่อยังไม่มีทำเป็นเครื่องแก้กันแล้วก็เหมือนกับคนไข้หนักนั่นเนี่ยมีแต่ ทุกมีแต่ลำบากโรคเหยียบย่ําทําลายลงทุกเวลาหายาหาหมอที่จะมาแก้ไม่มีเลยก็มีแต่ทางจะตายท่าเดียวทางหายไม่มีนี่ถ้ามีจะปล่อยให้แตะกิเด็ดมันเหยียบย่ําทําลายทุกอาการของกิจที่เคลื่อนไว้เป็นมาอยู่แล้วไม่มีทางเข้าไปเลือกแฝงไม่มีทางเข้าไปยื้อแย่งแข่งดีกันไม่มีอุบาสกุบาอาจารย์พอที่จะ นำมาปฏิบัติต่อกิเลสแล้วมันก็มีหวังที่จะตายย่อมจมก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องผ้าเหลืองในตลาดลั้นค้าไม่หมดไม่อยากมันสาคัญอยู่ที่เรานี่แะเราจริงเราจังแค่ไหนเคยพูดแล้วการเกิดแก่เกิดตายในวัฏฏิสงสารนี้โลกทั้งหลายไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครถ้าจะเลิศก็เลิศกันแล้ว เราเน่สงสัยอะไรอีกอการเกิดเกิด จ, จะตายก็คือเรื่องของกองทุกข์ทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงเคยเอาความดิีความดีมาให้ผู้ใดได้รับความสุขความจเจริญเพราะความโลภมากโกรธมากหลงมากรักมากชังมากเราเคยได้ดิบได้ดีจากมันที่ไหนตราทั้งหลายท่านตําหนิกันทั้งนั้นเพราะพวกนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาหม้อใจให้ เป็นมหันตตุกขึ้นมาได้ตลอดเวลาที่เรายังไม่เห็นโทษของมันนะสิ่งที่ศาสตร์ท่านชมเชยเราก็ควรที่จะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ประพฤติปฏิบัติตนให้ได้เป็นลำดับลำนาไปอะไรศาสตรชมอะไรนะความสุขความสุขเกิดขึ้นจากอะไรนะเกิดขึ้นจากความภากเพียรโดยธรรม นี่ทำเป็นเครื่องพาดนันเลยนะธรรมก็มีอยู่สติธรรมก็มีปัญญาธรรมก็มีถ้าเราคิดให้มีความอุตสาห์พยายามเราอุตสาห์อย่างอื่นาาเรายังอุตสาห์ได้อุตสาห์ตามพิเรศยังอุตสาห์ได้เหตุใดจะอุตสาห์อะไรตามอัดตามทำไม่ได้เนี่ยเมืองต้นนี่สมันลําบาก เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องได้หาอุบายวิธีต่างๆเป็นเวลาร่างกายมันมีกาลังมากก็ต้องได้ผ่อนสิ่งที่จะเสริมให้ร่างกายมีกาลังมากอันเป็นเครื่องมือของกิเลสนี้ให้กิเลสได้ทํางานคล่องตัวมากขึ้นก็ต้องได้ตัดได้ถอนกันลงหากแก่ไปแล้วก็เป็นอีกอย่างหนุ่มๆ น, นี้เห็นได้ชัดสําหรับผมเองใครก็เถอะ ไม่ผิดกันล่ะทั้งขาแร่างกายนี้ต้องในพยายามกดมันอยู่ตลอดเวลาร่างกายเมื่อมีกําลังมากที่เล็กมากจะพาะอย่างยิ่งราคะเร็วที่สุดทั้งๆ ท, ที่เราพยายามไปอยู่ตลอดเวลาข่ามันอยู่ตลอดเวลามันยังโผล่ขึ้นมาต่อหน้าต่อตาได้ยากําลังวังชาไม่พอมันยังให้ทําให้เกิดให้รู้ในหัวใจเรานั่นแหละรู้มันเกิดได้ง่าย แต่การดับดับได้ยากที่สุดนี่จึงต้องในใช้บายวิธีต่างๆดัดแปลงยู่ต้องเวลานี่ถ้าพูด เ, เรื่องปฏิวัติเราในรู้สึกว่าปฏิวัติอดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจมัตนามันหยาบต้องได้เอากันอย่างหนักนี่ท้องเสียมาจนตั้งตัวนี้เราก็ทราบว่าสาเหตุเป็นมาเพราะอะไร ทางแพทย์เขาก็บอกแล้วว่าอาหารเมื่อไม่มีในท้องท้องย่อมจะเสียเพราะถูกกดมันกัดบ้างอะไรบ้างดังเขาว่าเราไม่เป็นหมอก็พอพูดได้เล็กน้อยเท่านั้นเอง น, ะนี่เองนี่ก็ก็เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนี่เพราะไม่ได้คํานึงถึงว่าพวกกดพวกอะไรเราไม่ได้คํานึงมีตั้งแต่ เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายภายในจิตใจที่ เ, ห, ห, เลหลือหนาคะตันหามากกว่ากำเนิดรุนแรงมากนะักเพราะการอดอย่างนี้และเป็นการช่วยทางด้านจิตตภาวนาให้สะดวกขึ้นไปกว่าปกติที่เราฉันอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ต้องตะเกียกตะกายเนี่ยไม่ได้คํานึงว่ามันจะเป็นอะไรในท้องในไส้ของเหล่านี้อดไม่หยุดให้ถอยอดไปอดมาหลายวันหลายปีหลายเดือนเขา มันก็แสดงออกมาท้องก็เลยเสียอายุยังไม่ถึงสี่สิบท้องเริ่มเสียมาตั้งแต่พรรษาที่สิบเนี่ยฟังดิพอเริ่มขุดกันมาตั้งแต่พรรษาเจ็ดร่วงแล้วนี่แปดเก้าเป็นอันเรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเข้าสู่สงครามต่อสู้กับพี่เล็กเนีวย เลื่อยไปเลยถึงพันศาสาสิบนี้รู้สึกว่ามากขึ้นมากขึ้นแต่เจ้าของก็ยังไม่สนใจกับเรื่องธาตุเรื่องขันว่าจะเป็นจะตายยังไงบ้างนอกจากจะเอาให้เกลอยู่ในเนื้อมือเท่านั้นนี่มันก็ตะเกียบตะกายอยู่ตลอเวลาไม่มาคิด ถึงเรื่องการกินการอะไรอดอยากขัดแการไม่คิดนักทัดขันจะเป็นอย่างนั้นจะแก้ปวนอย่างนี้จะเสียไปอย่นะ น, นี่ไม่คิดหลังๆมานี้ก็ค่อยรู้อดไปก็ได้เพียงเพียงแค่เท่าไรอายุนี้สามสิบหกปีพันษาก็ถึงแค่สิบหกเพียบแล้วนะนั้นเป็นมากแล้วเริ่มไปถึงแต่พันษาสิบนี่ อดไปอดไปกี่วันก็อดมันก็ไม่ทายเพราะไม่มีอะไรจะทายพอเริ่มฉันลงไปวันเดียวตอนนั้นตกตอนบ่ายมา้องเสียงท้องมันร้องกรุกเก็กกรุกเก็กก็ข้าลงไปก็ทายทายสกักจนหมดวันหลังมาก็อดอีกเสียเนี่ยจนกมะทั่งถึงต้องการจะฉันเมื่อไหร่ก็ฉัน ก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเมื่อนานต่นานเข้าไปมันก็อดกี่วันก็ตามเพียงสี่ห้าวันเท่านั้นมันก็ไม่ย่อยแล้วทายออกหมดออกหมดก็เลยได้พักมาตั้งแต่พรรษาที่หมกล่วงไปแล้วรู้จะเริ่มหยุดการอดอาหารมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่จะเข้าพรรษาของปีพรรษาที่เจ็ดเลื่อยมาจนปัจจนนี้ก็ไม่ได้อดอีกแล้ว แล้วท้องก็เป็นมาเรื่อยตั้งแต่นู้นเป็นบัดนี้แหละแต่ได้ฉันยาเขานี่ค่อยดีขึ้นบ้างยาไทยเหล่านี้แต่ก่อนมันเป็ น, นมะกร็งเตี้ยถ่ายก็จะไม่มีอะไรเหลืออะไรเดือนี่นี่พูดถึงการฝึกการทรมาน ก, การกดบีบบังคับทาสขันไว้ไม่ให้มันรุนแรงเพราะมันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดี เฉพาะอย่างยิ่งราคาตระหนานี่รวดเร็วการภาวนาก็ฝืดอืดอาคเหนื่อยหนายแต่พออดอาหารลงไปผ่อนาลงไปแล้วสมาธิก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะฉะนั้นถึงวันที่จะฉันจึงเสียดายไม่อยากฉันถ้าฉันแล้วก็เหมือนกับรถบรรทุกของหนักอืดอาดไม่คล่องตัวแต่ก็จําต้องได้ฉันไม่งั้นมันก็ตายเพราะเราอาศัยาธาตุฉันจะทำไง มันฟาดมันเหวี่ยงมันไปอย่างนี้อันนี้เมื่อถึงขั้นปัญญามันก็คล่องตัวการอดอาหารนี้ช่วยได้ทั้งสองอย่างทางสมาธิก็ช่วยทางด้านปัญญาก็ช่วยสําหรับเราเองเป็นอย่างนั้นปัญญานี้คล่องตัวที่สุไดไลยเพราะอดอาหารตะกว่ามันก็เป็นอยู่แล้วเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามย์ปัญญาแล้ว ปัญญามักจะคล่องตัวหรือคล่องตัวอยู่เสมอแต่เวลาอดอาหารเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มเข้าไปให้แหลมคมเข้าไปคล่องตัวเข้าไปนี่ที่มันเห็นได้ชัดเลยชัดเพราะงั้นจึงไม่สนใจกับเรื่องการดื่มการกินยิ่งกว่าทำนี่ในขั้นนี้เริ่มเห็นโทษของจิเดชไปโดยลําดับําดาแล้วนักในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นคุ้มค่าของธรรมของความพ้นทุกข์หนักขึ้นมากขึ้นมากขึ้น น, นี่ที่นี่เมื่อ ทำมีอำนาจสูงขึ้นไปโดยหะับจำดาลแล้วี่เลอก็ต้องอ่อนตัวลงไปก็ยิ่งเห็นได้ชัดฆ่ากันได้ง่ายตอนต้นลำบากลำบนอย่างนั้นเองแต่ที่ได้จะได้ความดบความดีหรือการภาวนาได้ตั้งรากตั้งฐานได้ก็เพราะการล้มลุกคุคานการกดอยักาขาดแคลนนั่นแหละ เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ได้วิตกวิจารกับเรื่องธาตเรื่องขันว่าจะเป็นจะตายอะไรอย่างทุกวันนี้เพราะเป็นเครื่องหนุนปฏิปทาที่ทํามาแบบสมุกสมบันนั้นเป็นเครื่องหนุนความดีของเราให้ก้าวขึ้นไปโดยลําดับลาดาจนกระทั่งเห็นได้ชัดเพราะการทรมานตนแบบนี้เนี่จึงไม่ได้เสียดายอย่างทุกวันก็ไม่เคยคิดเสียดายย้อนหลังว่าเกินไปหรือกาพรอมเพียนเกินไปไม่คิด สาบจะคิดมันก็ลาวกับจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะถึงขั้นมันถ้าเป็นนั่งมวยก็ถึงขั้นไม่มีไม่ให้มีกรรมการแยกกันหมันจะทุ่นเวลาตายชาลงไปอย่างนี้ไม่ให้มีเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีแล้วให้พังลงไปเลยไม่ต้องมีกรรมการแยกอถึงขั้นมันเด็ดเด็ดอย่างนั้นนหละเรื่องของสติปัญญาที่ต่อสู้กับวิเดษ เด็ดถึงขนาดนั้นเกิกระทั้งเด็ดจนถึงว่าไม่มีกรรมการเป็นประจำในเวทีนั่นเลยเมื่อปัญญาได้ดแต่กล้าสามารถเข้าไปแล้วไม่มีกลัวอะไรทั้งนั้นที่เหลืกนี้ให้โถ่ขึ้นมาการผู้เขี่ยขุดค้นในเวลาที่เหลือมันหลบซ่อนตัวก็เป็นงานอันหนึ่งขุด ผ, ผู้เขี่ยขุดค้นอยู่ตลอดเวลา พอได้เจอนี่ก็เหมือนกับว่าได้งานแล้วสุดท้ายก็เรียกว่างานทั้งสองนั่นเองงานขุดค้นหากิเลสก็มีก็ไปเรียกว่างานประเภทหนึ่งว่าเจอกิเลสแล้วห้ามหันกันก็เป็นงานประเภทหนึ่งงานเพราะนั้นจิตจึงไม่ว่างจากงานในวันหนึ่งคืนหนึ่งของจิตขั้นเลียงไกลสติปัญญาขั้นเลียงไกลแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ที่มันผิดกันไหมล่ะกับ ในขณะที่ร่ำรู้งผู้คลานเหมือนไม่ใช่จิตดวงนี้เลยอ่ะเหมือนไม่ไม่ใช่สติปัญญาที่เราใช้ยอยู่เวลานี้เลยเพราะมันไม่มีแต่ก่อนต่อมาก็มีได้เมื่อสะแสวงเมื่อ <c oughs> บำเพ็ญอยู่เสมอก็มีได้อย่างนั้นมาถึงขั้นเห็นโทษเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นธรรมดาเห็นประจักษ์ในหัวใจไม่อยากอยู่ไม่อยากตกค้าง ในพบใดภูมิใดแม้ที่สุดอย่างท่านแสดงไว้ในสุทธาวาสห้าเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่ชั้นอวิหาขึ้นไปถึงอัตปาสุอสาสุรสีรสรอภินิษฐานี้ผู้ที่เก้าเข้าโทรมโลกห้าชั้นนี้แล้วไม่กลับแม้จะไม่กลับก็าตามแต่จะตกค้างอยู่ในภูมิใดใน ชั้นใดของสุทธาวาส น, น, นก็ไม่พูนข้าไม่ปรารถนานอกจากจะให้หลุดพ้นเสียอย่างเดียวสดสดร้อนร้อนต่อหน้าต่อตาใ น, พน่พนี้ชาตินี้หรือวันนี้เท่านั้นหนักเมื่อถึงขั้นของจิตที่เด็ดเห็นโทษของที่เหลียดอย่างประจักษ์ใจแล้วย่อมเห็นคุณค่าของธรรมที่จะกล้าวให้พ้นไปเสียนั้นอย่างถึงใจเช่นเดียวกันอันนี้ยังทาให้คิดย้อนหลังไปถึงข่าวป่วย อยู่อำเภออะไรระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อนั่นกันต่อแดนต่อเขตกันมีแม่น้ําทอนเป็นเขตแดนก็ไปป่วยอยู่ตรงนั้นป่วยอันนี้เขาเรียกไข้เจ็บคัดอกคัดในหัวอกเราทําให้สงสัยเหมือนกันว่าถ้าไม่มีเชื้อมันทําไมคนป่วยยิงดาดาด่ากันไปหมด เหมือนอะิวานเหมือนโรคฝีดาษวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นกันเท่าไหร่เท่าไหร่ตายกันเท่าไหร่เท่าไหร่วันละสามคนสี่คนห้าคนเจ็ดแปดคนน่นะตั้งเล้โรคเจ็บขัดในหัวอกนะอืเราไปพักอยู่ในป่าเขาก็ไปนิมนต์มาพุทธมาติกุสลามาติกาให้คนตายเพราะแถวนั้นก็ไม่มีพระอีกด้วยก็ลําบากอีกแหละมีอะไรมีแตกุชลามาติกา ให้บุญคนตายไม่หยุดไม่ถอย ท, ทั้งวันทั้งวันทั้งวันเพราะวันหนึ่งตายสักเท่าไหร่เลยจะไม่หนีจากฝ่าช้านะถึงขนาดนั้นแหละบ้านพลทองพังหมบ้านกระหงมพลทองตายกันถึงขนาดนั้ น, นและสุดท้ายก็มาเป็นขึ้นกับเราเองจนได้แน่ รู้สึกว่าจะเป็นความแน่ใจนะในเวลานั้นแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทำของเรานี่มันก็แข็งกร้าวเหมือนกันนะไม่เฉลีนนะ่นมันพอมันมาปรากฏขึ้นในหัวอกของเราเท่านั้นโอ้คราวนี้เราละคนหนึ่งนะ่นเริ่มแล้วอ๋อโรคเจ็บขัดหัวอกเป็นอย่างนี้เองนะรู้ทันทีคือมันเหมือนกับแหลมกับเหลา ทิ่มแทงเข้าไปในหัวอกในหมักหัวใจนั่นนะ่ะหายใจแรงก็ไม่ได้ขัดเจ็บมันขัดนึกอะไรชอบคนพูดไม่ถูกนะธรมรมดามันก็มันเจ็บในหัวอกแน่นในหัวอกออกจากนั้นพอเราหายใจแร ง, แรงหน่อยก็เป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มเข้าไปในนั้นก็ทราบทันทีอ๋อโรคอย่างนี้เองที่โรคสุดหัวอกเขาเป็นกันเป็นอย่างนี้เองเรารู้ โอถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่นานเพราะมันจะหายใจไม่ได้คับเข่าแน่นเข่าแน่นเขาหายใจแรงไม่ได้แล้วสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไปมาติกากุศลาให้เขาแหละก็บอกเขาขอตัวเถอะที่นี่เป็นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วบอกเขานะก็หลบตัวมาอยู่ที่พักก็อยู่ป่าไผ่ก็ไผ่ีตีนภูเขานี่แหละเป็นเหตุที่ให้คิดนะักที่ไม่ลืมนะ ในระยะนั้นจิตก็ละเอียดมากทีเดียวเรื่องร่างกายนี้เป็นนั้นว่าปล่อยกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่นามธรรมาความคิดความปรุงที่ฟัดเดี่ยมกันอยู่ตรงนั้นผิตก็รู้สึกละเอียดมากผ่องใสามากก้าหารมากในขณะนั้นนี่หลังจากาถวายเพลิงของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนั้นปีนั้นแหละ หลบหนี้ขมโมยหนีจากหมูพื้นไปอยู่ในป่าในเขาดำพังตัวคนเดียวเพราะความเพียรในขั้นนั้นในเวลานั้นเป็นความเพียนที่อยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นปึงเหมาะกับงานของเราที่ <S <S มไม่มีเวลาว่างเบ้นแต่หลับเท่านั้นหมุนกันทิ้วทิวทั้งวันทั้งคืนนี่ว่าเป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้ว <S <S อันนี้เมือ่อโรค เก็บขัดหัว อ, อกนี้ได้ปรากฏขึ้นก็ชักจะวนเลยเออเรานี่จะไปจะได้เหลือเนี่ยนี่ที่นี่ทําให้คิดนะไปเวลานี้เรายังไม่อยากไปนะ่นเพราะมันยังมีอยู่ในหัวใจนี้ยังรู้อยู่ทัดๆเป่าถึงจะละเอียดขนาดไหนก็าตามจิตนี้ยังไม่ได้เป็นอิสระยังไม่บริสุทธิ์ยังมีอะไรอยู่ในจิจทั้งเราหากว่าตานี้เราก็แน่ว่า จะไปเกิดในที่นั้นที่นั้นแต่ยังไงก็ต้องค้างไม่ถึงที่ค้างก็ไม่อยากค้างเนี่ยที่ทําให้วิตุวิจารณ์ว่ายังไม่อยากตายเพราะจิตยังยังจะค้างอยู่ในชั้นใดชั้นหนึง่งในความรู้สึกของเรามันรู้อย่างชัดชอย่างนั้นไม่สงสัยไม่มีใครมาบอกแหละสันติโกบอกชัดๆัดในภูมิของจิตภูมิของธรรมและสถานที่ที่จิตจะไปไปอยู่อืม อย่าว่าไปเกิดก็ไปเกิ ด, กกดกพูดนะ่ะมันรู้เนี่ยชัดๆยังไงก็ตามเรื่องค้างนี้ไม่อยากไม่อยากตกอยากค้างในสถานที่ใดมีต้งมีอย่างเดียวที่ว่าให้ดูดพ้นไปเสียต่อหน้าต่อตาเฉะนั้นตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าแต่เวลานี้ยังไม่อยากตายในความรู้สึกยังนี้อะไรอวรนอยู่กับไม่ใช่ว่ากับชีวิตนะอยู่กับมรรคผลิพานที่ตนต้องการ จะได้เพราะความปรารถนาความมุ่งมั่นในจิตเวลานั้นไม่ต้องการอะไรนอกจากถึงนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นน่ถ้าเป็นภูมิธรรมก็ระหัสภูมิเท่านั้นเวลานี้ยังไม่ถึงรู้เจ้าของอยู่ชัดๆนี่แหละทำให้เจ้าของมีความอะไรให้รู้ชัดๆไม่ลืมนะอะไรนี่เพราะยังไม่ถึงจุดที่ต้องการ จึงอะไรยังไม่อยากตายอยากจะเล่งให้ถึงนั่นก่อนแล้วไปเมื่อไหร่ไมว่ว่าแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็โรคมันก็บีบบังคับตลอดเวลาก็หมุนติ้วกลับย้อนหลังอ่ะมาอยากตายก็ต้องในตายถ้ามันเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไมา่ได้สิ่งนี้เป็นกติธรรมดายุ่งไปทําไมน่ะมันย้อนกลับมาแล้วก็ทําให้คิดเรื่องของเจ้าของเองว่าเรื่องทุกขเวทนานี้เราเคยผ่านเราเคยโรคมาแล้ว ได้ความมัศจรรย์ไม่รู้กี่ครั้งกี่คนในเวลาที่เราเฉพาะอย่างยิ่งเรานั่งหามลุ่งหามคํานี้ทุกขเวทนามากแสนสะอาดเราก็เคยต่อสู้ด้วยความมหัศจาร์มาแล้วนี่ก็เป็นทุกขเวทนาหน้าเดียวกันอาเดียสัตว์อันเดียวกันเราจะถอยไปไม่ได้จะต้องเอาให้เห็นดําเห็นแดงกันในคืนวันนี้เป็นก็เป็นตายก็ตายให้ตายอยู่ในสานามโลกนี้เท่านั้นถอยไม่ได้นั่นฟังดี ปิดมันกล้าถึงข่าวกล้ามันกล้าขนาดนั้นนะเป็นจะตายอยู่ไม่เด้ถอยเลยคําว่ากลัวตายก็มีแต่ที่ว่ามันมันไม่ถึงที่เท่านั้นเองไม่ใช่กลัวแบบที่โลกเขากลัวกันนะถ้าว่ากลัวก็มีท่านไม่ยังไม่อยากตายเขายังไม่ถึงที่แล้วยังยังไม่อยากตายอยากให้ถึงที่ก่อนนั้นไปเมื่อไหร่ไปเถะอะ น, นั่นมาก็โหมกําลังสติปัญญา <c oughs> หมุนเข้าในจุด ก, กลางอกนี่เลย อ้าวทีนี้เป็นไงก็ เ, เป็นกันนะญาติดโดมเขาไปเยี่ยมเรายกกันไปทั้งบ้านเลยนะเป็นน้อยร้อ ย, อยเราก็ไล่เขากลับมดไม่ให้ใครมายุ่งเลยเพราะวันนี้เราจะขึ้นเบทีต่อก่อนกับทุกขเวทนาเอาให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิดถึงขีด ถ, ถึงเป็นถึงตายไล่เขาเขาก็กลับไปหมดยังเหลืออยู่ผู้เท่าคนแอบอยู่ที่ต้นกอไผ่ในปาน่าไม่ แจะไม่กลับกลัวเราจะตายจะจ ะ, จะคงจะเหมือนกันจะจะคอยมาดูหวัวใจเราเวลาจะตายถ้าเพราะทราบอยู่ประจกักษ์ว่าคนตายเกื่อนอยู่ตลอดเวลานในระยานั้นคนกําลังตายและก็ลัวว่าเราจะตายเช่นเดียวกันนั่นล่ะที่นี่พฟาดกันไปตั้งแต่หวัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มเวลานั้นเรามีนาฬิกาแล้วเรารู้แล้วกินเอาตั้งแต่หวัวค่ำแต่ ยมก็ไปเยี่ยมฟ้ารีบไล่เขากลั บ, ลลบเข้าที่เลยอืค้นหนึ่งทุกขเวทนาที่มันอยู่ในหัวใจเอากันหมุนกันอยู่ในหัวใจนี่เลยแต่ยังไงเกิดขึ้นจากอะไรเสียดแทงเสียดแทงอะไรอืมเวทนาเป็นห อ, อกเป็นเหล่าเมื่อไหร่มันก็เป็นทุกธรรมดาธรรมดาทุกนี้ก็เป็นสภาพเป็นอย่างท่านว่าเป็นของจริงทุกขังอริยสัจจังมาค้นกันไปค้นกันมาไม่ถอยเลย เป็นกับตายไม่ได้สนใจสนใจตั้งแต่ให้รู้ความจริงในวันนี้เมื่อเวลาเข้าตุลุมบอลกันอย่างมันอยู่ไม่ถอยทีนี้ทุกเวทนามันมากเท่าไหร่มันแทงในหกนสติปัญญายิ่งหมุนติวติวเช่นเดียวกับเรานั่งหามหลูกหามข้ามมันเองสติปัญญานี่มันเพราะมันเคยอยู่แล้วนี่ปล่อยเข้าเข้าสนามขึ้นเวทีมันก็ขึ้นเลยกันทีแหละไม่ถอยเลากันอยู่จงกระทั่งถึงหกทุ่มกว่าบาง ทุ่งกว่าเวลาดูนาฬิกาแล้วพอเอากันเต็มที่เห็นประจักษ์นะโอ้ถอนนี่เวลาถอนนี่ถอนอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับทุกเวทนาของเราถอนในเวลาที่เรานั่งหามุ่งหามข้าจิตรอบด้วยปัญญาทุกเวทนาถอนแบบเดียวกันนี่เวลาถอนนี่แหมมันเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะถอนออกจากหัวใจนี่ถอนออกถอนออกกําหนดตามกันตามมัน ที่ถอนออกจนล่งหมดเลยหายเงับไม่มีอะไรเหลือกำหนดดูให้มันชัดเย็นขนาดนั้นมันไม่มีอะไรเหลือล่งหมดในหัวอกนี่สุดท้ายก็เหมือนกับร่างกายไม่มีว่างไปหมดเลยอกพักอยู่นั้นก่อนพัก ค, คือหมายก็ว่าพักดูความมาัศจรรย์ของจิตที่นี่เมื่อทุกเวทนาดับไปหมดแล้วมีแต่วความว่างของร่างกายจากนั้นก็เป็นความว่างของกิตกายหายเงียบ เันเต็มที่เลยจนกระทั่งจิตมันพอตัวแล้วก็ยิบยับยิบยั บ, ย บ, ยบถอยออกมาถอยองกมาจิตก็ยังว่างร่างกายแม้จะรู้มีอยู่ก็ตามแต่มันมีเก็บมีปวดมีเสียดแทงใน้ัวอกอย่างที่เคยเป็นมาเลยโล่งไปหมดเอาละทีนี้ไม่ตายนะพอจากนั้นก็ดูนาฬิกาหกทุ่มกว่าให้แน่ใจว่าไม่ตายรู้สึกเป็นความแน่ใจเพราะโล่งหมดและยังไงก็หายโรคนี้หายไม่ยากอะไรเลย แกล้กันด้วยอริยสัจพอหลังจากนั้นแล้วก็ลงเดินอย่างกลมจุดโคมไฟอะไรตะเกียงนี่แต่เขาเรียกตะเกียงอะไรแก้วข้าวเล็กๆ ก, ก, กันนะ่ะภาษาทางภาคอสานเขาเรียกต ะ, ตะเกียงโปะเล็กๆ ก, กันนะโปะตะเกียงจุดไว้นั้นไวขน้ข้างนอกมุ้งนู้นตั้งอยูนู้นตั้งแต่ต่อสู้ อ, อยู่นู้นนะจุดไว้แล้วก็เข้าที่แหละมองเห็นไปอยู่นอกมุ้งนู้นไม่เอาเข้ามาในมุ้ง อานั้นก็ลงเดินจนงกลมโอ้เดินก็ตัวเกี่วไปเลยหายเงบไม่มีอะไรเหลือนั่นฟังที่เพื่อนฝูงฟังไปนี่แหละเวลาต่อสู้กันเห็นในชัดนี่แหละอริยสัจเป็นยังไงอริยสัจทําให้เราเห็นเป็นยังไงบ้างฟังเสร็จทุกขสั์นี่เป็นเหมือนหินรับปัญญานะถ้าเราจะถ้าเราพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบอริยสัจเป็นของจริงของจริง เรื่องทุกเวทานานี้เป็นหินรับปัญญาให้คมกระทุกเวทานากล้าสาหัสเข้ามาเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตัวติ้วติ้วที่ถอยไม่ได้จนกระทั่งถึงจะถอนพวดออกมาหเห็นประจักษ์ชัดจเจนถึงขนาดที่ว่าอ้าวตีนี้ไม่ตายแล้วตีนี้ไงโล่งไปหมดร่างกายก็โล่งนอกจากนั้นจิตก็โล่งไปหมดสุดท้ายก็หายเงียบไปหมดอ น, นั่น็ลงเดินอย่างคงและสุดท้ายวันนั้นไม่นอนเลยนะตลอดลูก พอสว่างบ้างไม่บ้างนี่โยมนั่นปรับเข้ามาอ้าวโยมมาทําไมล่ะวะโอ้ผมนอนอยู่นี่ล่ะวะข้างก็ไผ่นี่อ้านอนทำไมก็บอกให้ไปท่านกลางคืนนี่โอ้ผมไม่ไปคุ้นตัวท่านจะตายผมคอยแอบนี่ผมก็ไม่นอนเมื่อคืนว่างั้นนะไฟท่า น, านสว่างตลอดลุ่งนี้ท่านมาเดินโยมผมผมก็ดีใจบ้างนานว่างั้นนี่นั่นล่ะพูดถึงเรื่องว่าจิตที่มันอะไร อะไรในความเป็นอยู่ในชีวิตเธอยังไม่ยังไม่อยากตายนั้นมันมีส่วนมีสิ่งที่หมายอยู่ความมุ่งมั่นยังไม่ถึงขั้นจบสิ้นลงไป ม, มันเหมือนกับว่ายังไม่อยากตายนี่เป็นได้พูดถึงเบื้องต้นมาถึงขั้ น, น ม, มันเป็นได้ เวลาตายมันก็รู้ชัดๆว่ายังไม่ถึงจะต้องค้างอยู่ในที่ใดที่หนึ่งค้างก็ไม่อยากค้างเพราะไม่เป็นจุดที่เราต้องการเราต้องการให้ความให้พ้นปัเส้ย อ, อย่างเดียวเท่านั้นเอาไปเมื่อไรไม่ว่านะนี่แหละจิตเป็นอย่างนั้นเอาจิงว่ามันลำบากสำหรับเราเองการคือปฏิบัติตัวแต่มันได้ สิ่งที่อัศ จ, จรรย์ในเวลาจนเกาะบจนมุนทุกครั้งเจ้านายตั้งแต่เริ่มนั่งตลอดรุ่ง ม, มาจนถึงขั้นที่ว่าเก็บขัดหัวอกนี่นี่ก็เอากันจนได้ออกได้เห็นได้อย่างชัดเจนไม่งั้นผมแน่ใจว่าผมต้องตายเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เขาตายวันละวันละน้อยวันละสามวันละมากวันละแปดคนฟังเถอะโรคอันนี้เหมือนกับจะเป็นโรครับบาต มีเชื่อมีอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วตามที่อย่างเป็นในผมนี่มันเป็นมันขัดหัวอกนะขัดอยู่นะมันทิ่มแทงเข้าไปเหมือนกับหอกกลับเหลาเนี่ยทิ่มเข้าไปทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยทําให้หัวอกแน่นนะแ น, นออแน่นในหอกอยู่ปกติแน่นในหัวอกมากออกจากนั้นพอกระดิดอะไรนีนน่มันจะเสียดแทงเข้าไปหายจะแรงก็ เหมือนกับเป็นหลาทิมเข้าไปทิ่งเข้าไปนี่เราก็มองเห็นได้เท่านั้นว่าเป็นเชื้อมาจากที่ไหนก็ไม่เห็นมันก็มีเท่านั้นแต่เวลาพิจารณาแล้วแก้ถอนกันมันก็ถอนเห็นชัดๆหนึ่งก็ไม่ทราบมันมีโรคระบะโรคมีเชื้อหรือไม่มีผมทราบมาได้ทราบ ไ, ได้แต่มันแก้กันได้ด้วยอวิชยศาสตร์ปัญญาพิจารณากองถุกแยกแยะ ก, กันกับร่างกายของเราออกให้เห็นอย่างชัดเจนดังที่เราเคยปฏิบัติมา ในสมัยที่นั่งหาหมุอหามค้ามไม่ได้ผิดกันเลยแต่เรื่องสติปัญญาต้องขึ้นสดสดร้อนร้อนเราจะไปเอาเรื่องเกา่าเรื่องที่เคยเป็นมามาปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องปริเป็นเรื่องนิทานหรือเป็นเรื่องปริยาดหรือเป็นตำหรับตําราไปเสียเป็นมันไม่ขึ้นสดสดร้อ น, อนแก้ไม่ได้นะเรื่องแก้ขี้เด็กแก้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแก้ทุกเวทนาเนี่ยมันต้องสดสดร้อน หากว่าจะเป็นอุบายของติธปัญญาที่เคยเป็นมาแล้วก็ให้เกิดขึ้นมาในชัวสุดร้อนๆอยาให้เกิดขึ้นมาด้วยการคาดกันหมายนี่วิธีการพิจารณาต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องแก้ในสุดร้อนๆอยู่เราไม่บั่นเนี่ยพูดถึงเรื่องชัดในเรื่องอายะศัพทุกเวทนานี้เป็นอย่างนั้นจริงๆกล้าพูดได้อย่างเต็มปากไม่สงสัยปีนั่นหลังจาก เป็นเดือนเมษานะผมไม่ลีเดือนเมษาไปอยู่ในป่าในเขาที่ว่านพอหลังจากนั้นก็กลับมาสักคนนักพรก็ขึ้นไปวัดดอยธรรมเจดีนั่นมันก็เป็นกล้าไปเดินหกแล้วนั่นมาถึง่เป็นเดือนหกแล้วก็ไปอยู่วัดดอยธรรเจดีน่ะลงจากวัดดอยก็เป็นเดือนหกดับแล้วมาอยู่สุทธวัฒสองสามเพลินก่อน นี้ไปอำเภอวาดีิจจภูมิคิดว่าจะไปจำบรรษา ท, ที่นั่นภูเขานั้นแต่ก็มาทราบเจอว่าบ้านน้องผือไม่มีพระเลยมีดวงตาสอ ง, องคำโง่ก็ไปลอยฝังเกิดความสลดจังเมียเพราะบ้านนี้มีคุณต่อพระสูงมากมายแต่กองนย้อนกับมาจําบรรษาที่บ้านน้องผือนี่ออกพรรษาแล้วทิ้งได้ออกไปเที่ยวต่อไปจนกระทั่งถึง มีสามสี่ 3, ปีนี้ถึงในย่อนกับปีเป็นเวลาสามสิปีตั้งแต่จากน้องผู้ไปนี่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วเวลานี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปล่วงไปที่เกาะที่ยึดต้องเราด้วยความตายใจเช่อนอย่างนลองปู่ฟัน่นนลองปู่พมหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดี ครูอาจารย์เหล่านี้ด้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ที่ตายใจได้ทั้งนั้นตายใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์บิณฑ์หมดจุดมมพ้นจรินทางจิตใจไม่สงสัยเพราะฉะนั้นการสอนใครก็ตามทางด้านคิด ต, ต่ภาวนายิงไม่สงสัยท่านเหล่านี้ไม่สงสัยในการสอนถูกต้องแม่นยาหมดเพราะเจ้าของเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วการสอนก็ต้องสอนไปตามสิ่งที่เจ้าของลู้ของหนุ่เป็นมาแล้วจะผิดไปที่ตรงไหน ไอ้แบบสอนจุมสี่สุมห้านั่นสินี่อะที่มันลําบากนะเนี่ยที่หาเกาะหายึดผู้เช่นนี้มันหาได้ยากลงโดยลําดับลำดาบแล้วนะตัววันนี้จจะไม่มีแล้วด้วยเนี้ผมก็ถ้าเกียรติกายรับหมู่เพื่อนไม่มากผมก็ทนเอาแต่ถ้ามากเกินไปแล้วมันก็จะไม้เกิดประโยชน์อะไรสําหรับที่มาอยู่ด้วยกัน ม, นมากๆอย่างนี้แม้รายเดียวก็จะไม่มีประโยชน์แหละเราจรึงต้องได้พูดได้ บอกในเรื่องอย่างนี้ผู้ที่ศึกษาอบรมพอสมงผลแล้วคลาย ข, าขยายกันออกไปเพื่อผู้อื่นจะได้ยินได้ฟังบ้างคลายตั้งอกตั้งใจเวลามาอยู่อย่างนี้ยาไปเป็นแบบอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยความเข็ดหลาบน้องผือนะนี่ได้เห็นประจักษ์ผมได้พูดเต็มปากต่อหมู่ต่อเพื่อนบางทีต้องประชุมรับกันก็มีเพราะหมู่เพื่อนนั่นเอง นื่งจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่เลยขันตีนิมนต์เราเลราไปเองถ้าไปแล้วมากเขามาเขากะทับถมท่าน ค, คนหนึ่งเป็นหนึง่งหนึ่งคนหนึ่งแสดงอย่างอย่งางมันหนักกระทบกระเทือนกันอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องประชุมพูดกันแต่เบชะนั้นเขาสำหรับผมอยู่ที่นั่นใครมาทะลึ่งไม่ได้ถ้านเองเขากลัวเช่นเดียวกับที่เคยกลัวนเราะผมไม่อะไรผมมุ่งต่ออัตรธรรมจริงกับครูบาอาจารย์ ต, ตัวปัจจัยเธอทานเกิดมาผมไม่สนใจเลยแล้วก็ถึงกับได้พูดที่ว่าเนี่ยพอมันเห็นด้วยต่อหน้าต่อตาว่านี่ที่มาอยู่กับครูบาอาจารย์อยนี้มันเหมือนก็นมาซ่อนเล็บไว้ น, น่ะว่ะแล้วออกอย่างนี้แล้วจะเล่นออกลวดลายเต็มเพลงนั่นแหละว่าใครมียังไงไงจะออกลวดลายนั่นนี่แล้วมันก็เห็นอย่างวานมันกี่องค์มาอยู่กับครูบาอาจารย์มากขนาดไหนผู้ที่จะปรากฏชื่อหรือน า, นามพอเป็นหลักมีเกิดมันมีกี่อง คืที่สองรั้งเี้ยวไหลไปหมดออกไปแล้วเหมือนไม่มีหูมีตามีนอกจากเอาชื่อเอาเสียงครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายค้ายกินอวดดิบอวดดีโม่หลอกนะ่าดูมเข้าไปเท่านั้นนี่อะไรนี่ทีที่มันทําให้ทุเลต์นะทุกท่านทั้งหลายมานี่เอาให้จริงให้จริงนะอันไหนที่สอนไว้แล้วอันไหนที่พาดําเนินให้ถือเป็นว่าอันนั้นถูกต้องแล้วเป็นเพื่อดําเนินเพื่อมาโคนุนิพปานได้โดยสมบูรณ์แล้วไม่ต้องใส เอายากก็ยากสิ่งใดที่สอนแล้วท่านพาดาเนินมาแล้วเอายากก็ยากก็รู้อยู่แล้วว่าที่เลสมันเหนียวดึงมันก็ต้องยากขาดข้ามันก็ยากตายสิเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ยังไงก็ไม่พ้นจากอัตจากธรรมที่จะต่อตู้กันในทุกวันนี้ก็กาลังก็อ่อนลงอ่อนลงยล้วจะว่ายังไงเทศนาวอาการ ไมไ่สะดวกต้องถือท่าดขันเป็นประมาณเป็นประมาณแต่ละยะนี้ก็พอนั่นบ้งางก็ถูถ่ายไปบ้างก็เนื่องจากโรคหัวใจระยะนี้ค่อยสงบพอประมาณจึงได้พูดบ้างได้เร็วน้อยๆ น, นอกจากนั้นก็ยังมีตาอีกละโรคตาปีนี้มีแต่พยาบาลรักษาโรคตาเป็นประจำเลยไม่ได้เรื่องในเราอะไรใครมาอยู่ใตั้งใจคุดปฏิบัติ มา ล, ละหลอแหล่นะยาให้ได้เห็นไอ้เรื่องหนึ่งเรื่องที่หยาบหยาบที่สุดคือเรื่องการทะเลาะเบาแย้งการไม่หลงรอยกันยาให้เห็นเป็นหลกานนะอันนี้หยาบที่สุดที่เล็กที่เด็กประเภทนี้หยาบที่สุดยาให้มาแสดงออกในวงของพระผูตั้งใจคุยปฏิบัติอันค้ายที่สุดเลยนะแสดงว่าที่เล็กนี้เก่งมากเหยียบย่ําทําลายทำต่อหน้าต่อตาครูวาจารย์เพื่อนฝูงอย่างไม่อายเลย แบบหน้าด้านที่สุด ข, ขออย่าให้แสดงเรื่องนั้นี่เหตุมีผลอะไรพูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวให้มีเหตุมีผลในการพูดกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยถือเหตุผลเป็นหลักเป็นเพียงสำคัญอย่าถืออวดทิฏฐิมรณนะว่าตนมาอยู่ก่อนหรือว่าตนมีอายุพรรษาแก่ว่าตนเรียนรู้เรียนมีความรูม้ความฉลาดหรือว่ามีฐานะดีหรือมียศถาศาสตร์ดีอย่างนี้อย่าเอาขามานี่เป็นเรื่องของโลก เรื่องของธรรมแล้วยอมกันโดยเหตุโดยผลอยู่ด้วยกันด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละถูกต้องให้ให้อภัยกันสมณะเราไม่ให้อภัยกันไม่มีให้ใครให้ได้ในโลกนี้สมณะไม่สงสารกันไม่มีใครสงสารให้เกินสมณะก็ได้ละเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติมีด้วยแล้วก็ยิยง่งมีธรรมควรจะมีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นของจิตใจอยู่เสม อ, อมเอาละ เด็ดกันตอนนี้อยงก่